การสเร็จมักสาเร็จผลมสเร็จอยู่ที่ใจถ้าจะไปย้อนดูในครั้งพระพุทธเจ้าของเราอย่างสมงสมณเณรสมมณเณรบัณฑิตะสมมณเณรอายุเจ็ดขวบได้สําเร็จเป็นพระหันคือความคิดแปลกแตกต่างกว่าคนทั้งหลายทำไมสมมณเณรบวมาได้เจดวันจากนั้นพระสารีบุตรพระอุปชาพาไปบิณฑบาตในบ้านพอเดินไป เนนน้อยเดินไปอายุอยะไปงั้นหน่อยอายุเจ็ดขวบเนีพ่อไปเห็นเขาไขาน้ําเขาไขน้ําจากที่สูงลงมานาของเขาปล่อยน้ําลงมานาของเขาเน้นน้อยก็ถามว่าอุปชาครับท่านพระอุปชาครับเขาทําอะไรเนี่ยอุปชาก็บอกอืมอันนี้เขาไขาน้ําไปสูน่นาของเขาน้ํามันมีวิญญาณไหมครับผมไม่ไม่มีวิญญาณ ทำไมน้าไม่มีวิญญาณเขาจึงบังคับให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้เราเนี่มีวิญญาณทำไมเราจึงไม่บังคับใจิตใจตัวเองให้ไปสู่จุดหมายปลายทางสิ่งดีสิ่งชั่วได้าะเนี่ยเนี่มีความคิดคือมาในใจเนี่ยผู้จะได้สําเร็จมักสําเร็จผลนะบารมีของท่านแก่กล้านะท่านก็เดินไปอีกอไปเห็นช่างสอนช่างดัดตุกหน้านะหน้าไม้เนี่ยพอกล้วเขาก็ลนไฟ พอลนไฟเสร็จแล้วเขาดัดด้วยหางตาเพื่อ น, นเลงแล้วก็ดัดดัดด้วยความร้อนอสัมมาณีก็ถามอีกพระอุปชาครับเขาทําอะไรนะ่ะเขาดัดลูกศรเขาดัดทําไมครับผมเขาดัดให้มันตรงแล้วนะลูกศรมีวิญญาณไหมครับผมไม่มีไม่มีวิญญาณขนาดของไม่มีวิญญาณเขายังดัดให้ตรงได้เรานี่ใจของเรานะี่มีวิญญาณนะ ทำไมเราจะทําตัวให้เป็นคนดีไม่ได้ขนาดลูกศรมันมีวิญญาณเอายังตัดให้ตรงได้นะีแต่ก็เดินไปอีกไปเห็นช่างเขาถากไม้เอยท่านก็ถามว่าเขาทําอะไรครับผมนะ่ยพุะเธนน้อยอนาะยุเจ็ดขวบนะี่ยภาษาริบุตรก็บอกว่าเขาถากไม้นะเขาถากทําไมครับผมเขาถากให้มันตรงเลยสนะไม้มันมีวิญญาณไหมครับผม ไม่ไม่มีวิญญาณหรอกเขาถากให้มันตรงสมณเณรก็คิดอยว่าี้ขนาดไม้ไม่มีวิญญาณเขายังดัดยังถากให้มันตรงได้ทำไมเราจึงทำตัวให้ไปสู่คุณงามความดีไม่ได้จากนั้นพอจากนั้นเดินไปผมขอลากลับแล้วครับพระอุปชาเอออุปชาเออเอ า, เอ า, เอาบาทมาให้เราไปกลับไปกุฏินะ่ะ เปิดกุญแจเขาปหยุดข้างในนะไปพักข้างในนะยังสั่งอุปชาด้วยนะบอกวัดนั่งขอเรียนอุปชาด้วยนะพระอุปชากรับผมถ้าท่านไปบินทบบาลแล้วขอเอาเอปาตะเพียนปลาตะเพียนมาฝากกับผมด้วยคนว่าอุปชาเราจะได้จากที่ไหนถ้าว่าไม่ได้ด้วยบุญของพระอุปชาจะได้ด้วยบุญของกับผมเองครับผมนะ เนนน้อยเจ็ดขวบจากนั้นก็เดินกลับมาก็เข้าประตูปิดประตูเลยมาพิจารณาใจตัวเองเถอนี่พิจารณาใจตัวเองทำไมใจของเราเนี่ยมันดัดไม่ได้มันคิดเรื่องอะไรทำไมไม่ให้ไหลไปสู่ในทางที่ดีได้ท่านก็ดูใจของท่านเองผลที้จุดก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพออุปชากลับมา มาถึงท่านได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์พอดีนี่แหละหการสําเร็จของพระอระหันต์ในครั้งพระพุทธเจ้ามีหลายวิธีมีเห็นอณิจังเห็นน้ําไหลลงสูนาเห็นช่างสอนดัดลูกศรเห็นช่างถากไม้ไม่มีวิญญาณแต่ทําให้ตรงได้แต่เรามีวิญญาณมีสติมีปัญญาทําไมทําใจให้ตรงไม่ได้ ชำระไม่ได้ในท่านชำาะใจของท่านจนหมดกิเลสเห็นอนติจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางผลที่สุดไม่ยึดมัน่นเป็นพระอรหันต์อายุเจ็ดขวบนะนี่แหละอันนี้ก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมมาต่อมากันนี่แหละเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระในครั้งพู้ตเจ้าเห็นใบไม้ร่วงจะเห็นก็เออใบไม้นี่มันร่วงเหมือนกับคนเกิดมาต่อเลยตายทั้งหมดใบไม้ก็เหมือนกัน มันเกิดมาเท่าไหร่มันก็ต้องหล่นทั้งหมดมันอยู่ไม่ได้ชีวิตของมนุษย์เหมือนกันเกิดมาแล้วเท่าไหร่ตายทั้งหมดท่านเห็นอนิจจังของไม่เที่ยงนะแต่พวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเห็นใบไม้ร่วงเยอะๆหล่นมดอะไรมากมายหนักหนาปัดกวาดเท่าไหร่ก็ไม่หวัดไม่ไหวแย่ะสิอย่างเนี้ยทั้งที่จะเห็นอนิจจังนะเป็นหิบอึดอัดในใจอีกต่างหากมันเห็นต่างกันอย่างกันเพราะนั้นพวกเราต้องน้อมนะเห็นใบไม้ร่วงไง คิดถึงชีวิตของเราว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นอนิจจงนะของไม่เที่ยงเหมือนกับใบไมนะ้เนี่ยปีนี้เห็นกําลังหล่นอยู่เลยเดือนกุมภาเลอมันหล่นแใบไม้กําลังร่วงหล่นเป็นภาระอย่างมากเลยแต่พวกเราจะไปคิดนักใจให้เห็นอนิจจงนะของไม่เที่ยงมันเกิดมาเท่าไหร่มันก็หล่นเท่านั้นแหละมันไม่เหนือนอกจากที่มันเกิดขึ้นมาหเห็นอนิจจงของไม่เที่ยงเมื่อเห็นอนิจจ์ของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นเรจังจึงไหนเป็นในจังถึงนั้นก็ทุกขังจึงนั้นเป็นทุกข์จึงนั้นไม่ใช่เรานะฮะต้องมีธรรมะในใจนี่แนหะนักปฏิบัติทั้งหลายควรจะน้อมนึกอย่างนั้นอารภพรทีอ่อนุโมทนาให้พรยะถาวารีวะ